มงค ล, ลสูตรในกุตกะปาถะข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเจตาวันวิหารอารามของท่านอนาถบินทิกะกรุงสาวัตถีครั้งนั้นเมื่อล่วงปฐมยามไปแล้วเทวดาองค์หนึ่งมีวันน่า ง, งดงามเปล่งรัศมีสว่างทั่วพระเจตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายบังคมแล้วยืนนาที่สมควรส่วนหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระคาถาว่าเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากปรารถนาความสวัสดีพากันคิดมงคลทั้งหลายขอพระองค์โปรตดตรัสบอกมงคลอันอุดมด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบด้วยคาถาลอนนั้นว่าการไม่ครบคนผานการครบแต่บัณฑิต และการบูชาผู้ที่ควรบูชานี้เป็นมงคลอุดมการอยู่ในประเทศอันเหมาะความเป็นผู้ทำบุญไว้แตกก่ก่อนการตั้งตนไว้ชอบนี้ก็เป็นมงคลอุดมความเป็นพหูสูรความเป็นผู้มีศิลปะมีวินัยที่ศึกษามาดีมีวาจาเป็นสุภาษิตนี้ก็เป็นมงคลอุดม การบำรุงมารดาบิดาการสงเคราะห์บุตรภริยาการงานอันไม่อากูลนี่ก็เป็นมงคลอุดมทานคือการให้ธรรมจริยาการสงเคราะห์ญาตการงานอันไม่มีโทษนี่ก็เป็นมงคลอุดมการงดเว้นจากบาปงดเว้นจากการดื่มน้ำเมา ความไม่ประมาทในธรรมะทั้งหลายนี่ก็เป็นมงคลอุดมความเคารพความถ่อมตนความสันโดษความกตัญญูการฟังธรรมะตามการนี่ก็เป็นมงคลอุดมความอดทนความว่าง่ายการเห็นสมณะการสนทนาธรรมตามการนี่ก็เป็นมงคลอุดมตบะ ปรมาจันทร์การเห็นอริยสัจการทำพระนิพพานให้แจ้งนี่ก็เป็นมงคลอุดมจิตของผู้ที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกไม่เศร้าหมองด้วยละอองกิเลเสเกษมปลอดโปรง่งนี่ก็เป็นมงคลอุดมเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำมงคลดังนี้แล้ว ไม่พ่ายแพ้ในค่าศึกทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานนี่แลมงคลอุดมของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นจบมงคลละสูตรหมายเหตุผู้อ่านพระสูตรนี้คือคำแปลของคาถาที่หลายคนเอาไปสวดกันเราคิดว่าเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ โดยท่องแต่บาลีและแปลไม่ออกนะครับการสวดมนต์แบบไม่เข้าใจและคิดว่าเป็นของคลังของศักดิ์สิทธิ์สวดร้อยแปดจบและจะโชคดีจะร่ารวยจะเกิดมงคลแก่ตัวเองนั้นถือว่าเป็นศิลปพตะปรามาตรเป็นสังโยชน์ข้อหนึ่งที่ทำให้เราบรรลุธรรมไม่ได้นะครับการสวดมนต์ที่แท้จริงคือต้องแปลให้เข้าใจจริงๆแล้วสวดแต่ภาษาไทยล้วนก็ได้นะครับสวดแล้วก็ต้องเอาไปทาตาม ไม่ใช่ว่าแค่สวดแล้วจะเกิดมงคลแก่ตัวเองจะเห็นได้จากมงคลละสรดทุกประการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ท่านตรัสบอกให้นำไปปฏิบัติก็เหมือนเพลงที่เราสอนให้เด็กๆร้องนะครับเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันถามว่าถ้าเด็กร้องเพลงนี้แปด0มืนสี่พันจบแล้วไม่ทำตามสิบข้อที่เขาแนะนำไว้ในบทเพลงนั้นเด็กจะเป็นเด็กดี จะเกิดความดีขึ้นมาได้หรือไม่การสืบต่อและการเผยแพร่เผยแพร่ไปในทางงมงายทำให้ศาสนาที่มีคุณค่ายิ่งมีเหตุมีผลเป็นวิทยาศาสตร์กลับกลายเป็นศาสนาแห่งไสยศาสตร์ไปซะก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการทำลายพระศาสนาเป็นบาปใหญ่อย่างยิ่งจึงขอฝากไว้ด้วยนะครับอัทธกถามงคลลสูตร ประโยชน์แห่งบทตั้งบัดนี้ถึงลำดับการพันานาความแห่งมงคลละสูตรที่ยกเป็นบทตั้งต่อลำดับจากกุมาระปัญหาในที่นี้ข้าพเจ้าจะกล่าวประโยชน์แห่งบทตั้งแล้วจึงจากพันานาความแห่งมงคลละสูตรนั้นความจริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้มิได้ตรัสตามลำดับนี้แต่ข้าพเจ้ากล่าวเพื่อแสดงว่า การนับถือพระศาสนาด้วยการถึงสารณะและนัยยะตามประเภทศีลสมาธิปัญญาทรงแสดงไว้ด้วยสิกขาบททวติงสาการและกุมารปัญหานี้ใดแม้ทั้งหมดนั้นก็เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะผู้ต้องการมงคลจำต้องทำภาคเพียรอย่างยิ่งในมงคลนั้นนั่นแหละส่วนความที่การนับถือพระศาสนาเป็นต้นนั้นเป็นมงคลนั้น บัณดิตพึงทราบตามแนวพระสูตรนี้นี้เป็นประโยชน์แห่งบทตั้งในมงคลละสูตรนั้นในที่นี้กถาพันน า, นาปฐมมหาสังคยนาปฐมมหาสังคยนาก็เพื่อพันน า, นาความแห่งมงคลละสูตรนั้นซึ่งยกเป็นบทตั้งไว้อย่างนี้มีมาติ ก, กาหัวข้อดังนี้ ถ้าพระเจ้าจะกล่าววิธีนี้อย่างนี้ว่าคำนี้ผู้ใดกล่าวกล่าวเมื่อใดกล่าวเพราะเหตุไรเมื่อจะพันน า, นาความแห่งปาฐะมีเอวังเป็นต้นก็จะกล่าวสมุดฐานที่เกิดมงคลกำหนดมงคลนั้นแล้วจะชี้แจงความมงคลแห่งมงคลละสูตรนั้นในมาติกานั้นก่อนอื่นกึ่งคถานี้ว่า วุตังเยณะยธายะสมาเจตังวัตวาอิมังวิทิงท่านกล่าวหมายถึงคำคือเอวัมเมสุตังจนถึงพัควันตังคาทายะอัชภาษิจริงอยู่ประสูตรนี้ท่านกล่าวโดยฟังต่อๆกันมาก็พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นสยามภูคือเป็นพระพุทธเจ้าเองไม่มีอาจารย์เพราะฉะนั้นคานี้ คือนิทานวัจนะจึงไม่ใช่พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเพราะเหตุที่มีคำกล่าวว่าคำนี้ใครกล่าวกล่าวเมื่อใดและกล่าวเพราะเหตุใดฉะนั้นจึงขอกล่าวชี้แจงดังนี้คำนี้ท่านพระอนุ์กล่าวและกล่าวในเวลาธรรมมหาสังคยาครั้งแรก ความจริงการทำมหาสังคยนาครั้งแรกนี้ควรทราบมาตั้งแต่ต้นเพื่อความฉลาดในนิทานวัจนะคำต้นของสูตรทั้งปวงดังต่อไปนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นนาะที่พึ่งของโลกทรงบำเพ็ญพุทธกิจเริ่มต้นแต่ทรงประกาศพระธรรมมาจากจนถึงทรงโปรดสุพัททะปริภาชกละเสด็จปรินิ พ, พานด้วยอนุ ป, ปาที่เสสนิ พ, พานทา เวลาใกล้รุ่งวันวิสาขาบูรณะมีระหว่างต้นสาระคู่ในสาระวนโนทยานอันเป็นที่แวกพักของมัลลกษัตริย์ใกล้กรุงกุสินาราท่านพระมาหากัสสปะผู้เป็นสังฆเถระของภิกษุประมาณเจ็ดแสนรูปที่ประชุมกันในวันแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาระลึกถึงคาของครัวตาสุพัธะ กล่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพานได้เจ็ดวันว่าพอที่เธอผู้มีอายุท่านทั้งหลายอย่าเศร้าโศกไปเลยอย่าร่ำไร้ไปเลยพวกเราพ้นดีแล้วจากพระมหาสมณะนั้นแต่ก่อนพวกเราถูกพระมหาสมณะผู้นั้นบังคับจูจีว่าสิ่งนี้ควรแก่พวกเธอบ้างละสิ่งนี้ไม่ควรแก่พวกเธอบ้างละมาบัดนี้พวกเราปรารถนาสิ่งใดก็จะทาสิ่งนั้น ไม่ปรารถนาสิ่งใดก็จกไม่ทำสิ่งนั้นท่านดำริว่าพวกภิกษุชั่วเข้าใจว่าป่าพฤษคือธรรมวินัยมีศาสดาล่วงไปแล้วได้สมัครพักพวกก็จะพากันย่ำยีพระสัทธรรมให้อันตรธานไปไม่นานเลยข้อนี้ย่อมเป็นไปได้ตราบได้ธรรมวินัยยังดำรงอยู่ตราบนั้นป่าพฤษคือธรรมวินัย ก็หาชื่อว่ามีศาสดาล่วงไปแล้วไม่สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนอานนท์ธรรมะละวินัยอันใดอันเราตถาคตสแสดงแล้วปัญญัดแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมะละวินัยอันนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปดังนี้อย่ากระนั้นเลยจำเราจะช่วยกันสังคยนาธรรมะละวินยัย โดยวิธีที่พระศาสนานี้จะพึงดำรงอยู่ยั่งยืนยาวนานอันหนึ่งเล่าเรากัสสปะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุเคราะห์ด้วยสาธารณบริโภคในจีวรตรัสว่าดูก่อนกัสสปะเธอจะกรองผ้าป่านบางสุกุลที่ใช้ล้ของเราไหว้หรือและทรงอนุเคราะห์ด้วยทรงสถาปนาเราไว้เสม อ, สมอๆกับพระองค์ในอุตริมนุสธรรม ธรรมะอันยิ่งยวดของมนุษย์ต่างโดยอนุปุภะวิหารเก้าและอภิญญาหกโดยในยะเป็นต้นอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตต้องการสงัดจากการมทั้งหลายสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอยู่เพียงใดแม้กระสปะก็ต้องการสงัดจากการมทั้งหลายสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลาย เข้าถึงปฐมฌานอยู่เพียงนั้นดังนี้เรานั้นจะมีนี่อื่นอะไรเล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่ากสปตรผู้นี้จะเป็นผู้ดํารงวงพระสัทร ธ, ธรรมของเราจึงทรงอนุเคราะห์เราด้วยการอนุเคราะห์ที่ไม่ทั่วไปนี้เหมือนพระราชาทรงอนุเคราะห์พระราชโอรสผู้ดํารงวงตระกูลโดยทรงมอบเคราะและพระราชาอิสริยยศไม่ใช่หรือ จึงทำความอุตสาหะให้เกิดแก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อช่วยกันสังขยนาธรรมะและวินัยเหมือนอย่างที่ท่านพระอานนุ์กล่าวไว้ว่าครั้งนั้นแหละท่านพระมาหากัสสปะเล่ากับภิกษุทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายครั้งหนึ่งเราเดินทางไกลจากนาครปาวามาสู่นครกุสินาราพร้อมกับภิกษุหมูใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปดังนี้ สุภัทกันควรกล่าวให้พิสดารทั้งหมดต่อจากนั้นท่านพระมหากัสสปะกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายเอาเถิดเรามาช่วยกันสังขยาธรรมะและวินัยต่อไปเมื่อหน้าอาธรรมรุ่งเรืองธรรมะก็จะร่วงโรยอวินัยรุ่งเรืองวินัยก็จะร่วงโรยเมื่อหน้าอาธรรมวาทีมีกำลัง ธรรมวาทีก็จะอ่อนกำลังอวินัยวาทีมีกำลังวินัยวาทีก็จะอ่อนกำลังภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอพระเถระโปรดเลือกภิกสุทั้งหลายเถิดพระเถระลเล่าวินภิกษุที่เป็นปุจุชนโซดาบันสกทาคามีอนาคามีและพระขีณาสพสุกวิปัสสก ผู้ทรงพระปริยัตยิคือณวังคขัตสุศาสตร์เป็นจำนวนหลายร้อยหลายพันรูปเลือกเอาเฉพาะภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ประเภทแต่วิชาเป็นต้นผู้ทรงปริยัตยิคือพระไตรปิฎกทั้งหมดบรรลุปฏิสัมพิธามีอนุภาพยิ่งใหญ่โดยมากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องเป็นเอตัตคะที่พระสังคีติกาจารมุ่งหมายกล่าวไว้ว่า ครั้งนั้นแหลท่านพระมาหากัสสปะคัดเลือกพระอรหัน์ห้าร้อยรูปหย่อนอยู่รูปหนึ่งดังนี้ถามว่าทำไมพระเทรรจึงทำให้ย่อนอยู่รูปหนึ่งตอบว่าเพื่อไว้ช่องโอกาสแก่ท่านพระอนุเทระเพราะว่าทั้งร่วมกับท่านพระอนุทั้งเว้นท่านพระอน์เสียไม่อาจทำสังคายนาธรรมะได้ ด้วยว่าพระอานนุนนั้นเป็นพระเสขะยังมีกิจที่ต้องทําอยู่ฉะนั้นจึงไม่อาจร่วมได้แต่เพราะเหตุที่นวังคสัตตุศาสตร์มีสุดตะและเคยยะเป็นต้นข้อใดข้อหนึ่งซึ่งพระทศพลทรงแสดงแล้วที่ชื่อว่าท่านพระอานนุ์ไม่รับต่อพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีฉะนั้นจึงไม่อาจเว้นเสดได้ ที่ว่าท่านพระานนท์แม้เป็นเสขาอยู่ก็หน้าที่พระเทระจะพึงเลือกเพราะเป็นผู้มีอุปการะมากต่อการทำสังขยนาธรรมะแต่เพราะเหตุไรพระเทระจึงไม่เลือกเล่าเพราะจะหลีกเลี่ยงการตำหนิตีเตียนเสียความจริงพระเทระมีความสนิทสนมยังเหลือเกินในท่านพระานนท์จริงอย่างนั้น ถึงท่านพระอานนท์ที่จะมีศีรษะงอกแล้วพระเถระก็ยังสั่งสอนท่านด้วยวาทว่าเด็กว่าเด็กคนนี้ไม่รู้จักประมาณเสียเลยอันหนึ่งท่านพระอานนท์ที่เกิดในตระกูลศา ก, กยะเป็นพระอนุชาของพระตถาคตเป็นโอรสของพระเจ้าอาในการคัดเลือกท่านพระอานนท์ภิกษุทั้งหลาย จะสำคัญประหนึง่งท่านลําเอียงเพราะรักจะพึงตําหนิติดเตือนว่าพระเถระลาเวนเหล่าภิกษุผู้บรรลุอเสขะปฏิสัมพิธาแล้วไปเลือกพระอานนท์ผู้บรรลุเสขะปฏิสัมพิธาพระเถระเมื่อจะหลีกเลี่ยงตําหนิติดเตือนนั้นคิดว่าเว้นพระอานนท์ซะก็ไม่อาจทําสังขยนากันได้เราจะเลือก ก็ต่อเมื่อภิกษุทั้งหลายอนุมัติเท่านั้นดังนี้จึงไม่เลือกเองครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายพากัน ร, ร้องขอพระเทระเพื่อเลือกท่านพระอานุนเสเองเลยเหมือนอย่างที่พระอานุนกล่าวไว้ว่าภิกษุทั้งหลายได้กราบเรียนท่านพระมาหาการสปะอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านพระอานณนนี้ถึงแม้จะเป็นพระเสขะ แต่ก็ไม่ควรจะลำเอียงเพราะรักเพราะเกลียดเพราะหลงเพราะกลัวก็ท่านพระอานน์นี้ได้รัำเรียนธรรมะและวินัยมาในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอันมากถ้าอย่างนั้นขอพระเทระโปรดเลือกท่านพระอานุนด้วยเถิดเจ้าค่าครั้งนั้นแหละท่านพระมาหากษัตริยจึงได้เลือกท่านพระอนุนด้วยดังนี้ พระเทระจึงได้มีจํานวนครบห้าร้อรูปรวมทั้งท่านพระอานนท์ที่พระเทระเลือกโดยอนุมัติของภิกษุทั้งหลายด้วยประการฉชนนี้ลำดับนั้นภิกษุผู้เทระทั้งหลายปรึกษากันว่าเราจะช่วยกันทำสังขยาธรรมะและวินัยที่ไหนเล่าหนาได้ตกลงกันว่ากรุงราชคฤมีโคจรที่หาอาหารมากมีเสนาสนะมาก ถ้ากระไรเราจะอยู่จำพรรษาช่วยกันทำสังขยานาณ ก, กรุงราชคฤห์ภิกษุเหล่านั้นที่ไม่ได้รับคัดเลือกไม่ผึงเข้าจำพรรษากรุงราชคฤห์ก็เหตุไรภิกษุผู้เทระเหล่านั้นจึงได้ตกลงกันดังนั้นเพราะท่านดําริว่าการทำสังขยานานี้เป็นาวรารกรรมของเราบุคคลผู้เป็นวิสภาคไม่ถูกกัน จะพึงเข้ามาท่ามกลางสงเล่ารื้อถาวรกรรมนั้นซะครั้งนั้นท่านพระมหากัสปะจึงประกาศด้วยยติตุติยกรรมคำประกาศนั้นพึงทราบตามในยะที่ท่านกล่าวไว้แล้วได้สังคีติคันทกะนั่นแหละครั้งนั้นนับแต่พระตถาคตเสด็จปรินิพาน เมื่อการเล่นสาธุกีฬาล่วงไปเจ็ดวันการบูชาพระาธาตุล่วงไปอีกเจ็ดวันพระมหากสปะเทระรู้ว่าเวลาล่วงไปครึ่งเดือนแล้วยังเหลือเวลาเดือนครึ่งก็กระชั้นชิดดิดีเข้าจำพรรษาจึงกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายเราจะพากันไปกรุงราชคฤห์ก็พาหมูภิกษุครึ่งหนึ่งเดินทางแยกไปทางหนึ่ง แม้พระอนุรุทธะเทระก็พาหมูภิกษุครึ่งหนึ่งแยกไปอีกทางหนึ่งส่วนพระอนนทเทระถือบาดจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันหมูภิกษุแวดล้อมประสงค์จะไปกรุงสาวัตถีก่อนแล้วจึงจะไปกรุงราชคฤห์ก็แยกทางจาวริกไปทางกรุงสาวัตถีในสถานที่พระอนนทเทระไปถึงก็ได้มีเสียงครวนครามรำพันขนาดใหญ่ว่า ท่าน อ, อนุนเจ้าท่านอานุนเก็บพระาศาสดาไว้เสียที่ไหนมาแล้วเมื่อพระเทระถึงกรุงสาวัตถีตามลำดับได้มีเสียงโครนคร่ำลำพันขนาดใหญ่เหมือนในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพานข่าวว่าสมัยนั้นท่านพระอานุ์ต้องปลอบมหาชนนั้นด้วยทำมีกาถาที่ประกอบด้วยอนิจจตาความไม่เที่ยงเป็นต้นแล้วจึงเข้าไปยังพระเชตวันวิหาร เปิดพระทวารนึงพระคันธกุดีที่พระทศพลประทับแล้วนําเตียงตังออกเคาะปัดกวาดพระคันธกุดีทิ้งขยะคือดอกไม้แห้งนําเตียงตังเข้าไปตั้งไว้ตามเดิมอีกได้กระทำวัดปฏิบัติทุกอย่างที่ควรทำเหมือนในครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้ายัางทรงพระชนอยู่พระเทระแข็งใจดื่มยาระบายเจือน้านมในวันที่สอง เพื่อทำกายที่มีธาตุหนักให้เบาเพราะตั้งแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพานท่านต้องยืนมากนั่งมากจึงนั่งอยู่แต่ในวิหารเท่านั้นซึ่งท่านอ้างถึงจึงกล่าวกับเด็กหนุ่มที่สุภาพมานพใช้ไปดังนี้ว่าดูก่อนพ่อหนุ่มวันนี้ยังไม่เหมาะเพราะเราดื่มยาทายต่อพรุ่งนี้เราจึงจะไป วันที่สองพระเถระมีพระเจตกะเถระเป็นปัจฉาสมณะผู้ติดตามจึงเข้าไปถูกสุภาพมานพถามปัญหาแล้วได้กล่าวสูตรที่สิบชื่อสุภสูตรในทีฆนิกายคราวนั้นพระเถระขอให้สุภาพมานพช่วยปฏิสังขรสิ่งสลักหักพังในพระเชตวันวิหารครั้นจวนจะเข้าพรรษาจึงไปยังกรุงราชคฤห์ พระมหากระสปะเทระและพระอนุรุทธเทระก็อย่างนั้นพาหมู่ภิกษุทั้งหมดไปยังกรุงราชครึกเหมือนกันสมัยนั้นในกรุงราชครึกมีวัดใหญ่อยู่สิบปดวัดทุกวัดมีอยากเยื่อที่เขาทิ้งตกเรี่ยราดไปทั้งนั้นเพราะในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จปรินิพานภิกษุทั้งหลายถือบาจีวรของตนทอดทิ้งวัดและบริเวณไปกันหมด ครั้งนั้นพระเทราทั้งหลายคิดกันว่าเราจะช่วยกันปฏิสังขรวิหารที่ชำรุดสุดโทมตลอดเดือนแรกแห่งพรรษาเพื่อบูชาพระพุทธดารัตและปลดเปลื้องคำตำหนิติเตียนของพวกเดรัีด้วยว่าพวกเดรัีพากันตำหนิติเตียนว่าพวกสาวกของพระสมณะโคดมเมื่อศาสดา ย, ยังมีชีวิตอยู่ก็ช่วยกันทานุบารงครั้นศาสดาป ร, รินิพานแล้ว ก็พากันทอดทิ้งไปท่านอธิบายว่าพระเทระทั้งหลายคิดกันดังนั้นก็เพื่อปลดเปลื้องคําตาหนิติเตียนของเดียร์ธีพวกนั้นสมจริงดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าภิกษุผู้เป็นเทระทั้งหลายปรึกษากันดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายการปฏิสังขรวิหารที่จำรุดสุดโสมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรนเริญไว้ เอาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายจำเราจะช่วยกันปฏิสังขรวิหารที่ชำรุดสุดโสมตลอดเดือนแรกเดือนกลางเราจึงจักประชุมช่วยกันสังคยาธรรมะและวินัยวันที่สองพระเทระเหล่านั้นพากันไปยืนอยู่ใกล้ประตูพระราชนิเวศพระเจ้าอาชาสัตรูเสด็จมาทรงวหว้แล้วปรารนาว่าท่านเจ้าข้า โยมจะช่วยอะไรได้บ้างพระคุณเจ้าต้องการอะไรพระเทระทั้งหลายถวายพระพรขอหัตทกรรมงานฝีมือเพื่อต้องการปฏิสังขรวัดใหญ่สิบดวัดพระราชาทรงรับว่าสาธุดีละเจ้าข่าแล้วพระราชาทานผู้คนที่เป็นช่างฝีมือพระเทระทั้งหลายให้ปฏิสังขรณวิหารทั้งหมดตลอดเดือนแรกต่อมาจึงกราบทูลพระราชาว่า ขอถวายพระพรงานปฏิสังขรวิหารเสร็จแล้วบัณฑิตอตมาภาพทั้งหลายจะช่วยกันสังคยนาธรรมะและวินัยพระราชามีพระดำรัสว่าดีละเจ้าข้าขอพระคุณเจ้าโปรดทรอย่างสบายใจเถิดการอาณาจักรไว้เป็นธุระของโยมฝ่ายการธรรมจักรเป็นธุระของพระคุณเจ้าโปรดสั่งมาเถิดเจ้าข้าจะให้โยมช่วยอะไร พระเทระทั้งหลายถวายพระพรโปรดให้สร้างสถานที่นั่งประชุมสําหรับภิกษุทั้งหลายผู้จะช่วยกันทําสังขยาธรรมะตรัสถามว่าจะทําที่ตรงไหนเจ้าค่ะทูลว่าถวายพระพรทําใกล้ประตูถ้าสัตตบัญข้างภูเขาเวภาระน่าจะเหมาะมหาบพิตรพระเจ้าอาชาศัตรูรับสั่งว่าดีละเจ้าค่ะ จะโปรดให้สร้างมนดอกใหญ่มีฝาเสาและบันไดอันจัดไว้อย่างดีวิจิตด้วยลายดอกไม้และลายเครือเทา น, านานาชนิดเหมือนวิษณุ ก, กรรมเทพบุตรเนรมิตไว้แต่มนดกใหญ่นั้นให้มีเพาดานทองกลมกลืนกับพวงดอกไม้ชนิดต่างๆอันห้อยย้อยอยู่งานภาคพื้นดินก็ปรับเสร็จเป็นอันดีงดงามด้วยดอกไม้บูชานาน า, นาพัน ประหนึ่งพื้นทางเดินอันปรับด้วยลูกรังดังมณีรัตนวิจิตเหมือนวิมานพรมโปรดให้ปูราดอาสนะอันเป็นกับปิยห้าร้อยที่มีค่านับมิได้ในมนดบให้นั้นสําหรับภิกษุห้าร้อยรูให้ปูราดอาสนะพระเทระหันหน้าทางทิศเหนือหันหลังทางทิศใต้ให้ปูราดธรร ม, มาที่นั่งแสดงธรรม อันควรเป็นอาสนะสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าหันหน้าทางทิศตะวันออกทำกลางมนดบวางพัดทำด้วยงาช้างไว้บนธรร ม, มานั้นแล้วมีรับสั่งให้พระเดียงแจ้งแก่ภิกษุสงฆ์ว่ากิจกรรมเสร็จแล้วเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายกล่าวกับท่านพระอา น, นุ์ว่าท่านอา น, นุ์พรุ่งนี้เป็นวันประชุมสงส่วนตัวท่านเป็นเสขะยังมีกิจที่จะต้องทา ด้วยเหตุนั้นท่านจึงไม่ควรไปประชุมขอท่านจงอย่าประมาทนะครั้งนั้นท่านพระอนุ์ดำริว่าพรุ่งนี้เป็นวันประชุมการที่เรายัางเป็นเสขะไปประชุมไม่สมควรเลยดังนี้จึงยับยั้งอยู่ด้วยกายาคตาสติตลอดราตีเป็นอันมากเวลาใกล้รุ่งจึงลงจากที่จงกรมเข้าไปยังวิหารนึกถึงกายหมายจะนอนพัก ชาวทั้งสองพ้นพื้นและศรีรษะยังไม่ทันถึงหมอนในระหว่างนั้นจิตไม่ยึดมั่นก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายความจริงท่านพระอานนท์นี้ยับยั้งอยู่ภายนอกด้วยการจงกรมไม่อาจทำคุ ณ, ณวิเศษให้เกิดได้จึงดำริว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับเราไว้ไมิใช่รู้ว่าอานนท์เธอมีบุญที่ทาไว้แล้ว จงประกอบความเพียรเนืองๆก็จักเป็นผู้ไม่มีอาสวะได้ฉับพลันก็ธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสไว้ไม่ผิดเราคงปรารบความเพียรเกินไปด้วยเหตุนั้นจิตของเราจึงเป็นไปทางฟุ้งซ่านเอาเถอะจำเราจะประกอบความเพียรแต่พอดีจึงลงจากที่จงกรมยืนณที่ล้างเท้าล้างเท้าแล้วก็เข้าวิหารนั่งบนเตียง คิดจะพักสิ้นหน่อยหนึ่งก็เอยนกายลงบนเตียงเท้าทั้งสองพ้นพื้นและศีรษะยังไม่ทานถึงหมอนในระหว่างนั้นจิตไม่หยุดมั่นก็หลุดพ้นจากอสวะทั้งหลายพระอรหันต์ของพระเทระเว้นจากอิริยาบถสี่ด้วยเหตุนั้นเมื่อถามกันว่าในพระศาสนานี้ภิกษุรูปใดไม่นั่งไม่นอนไม่ยืน ไม่เดินบรรลุพระอาหารหัสต์ก็ควรจะตอบว่าพระอานนทเทระในวันที่สองพระภิกษุเทระทั้งหลายฉันพัตหารเก็บงำบาจีวรแล้วก็ประชุมกันนะธรรมสภาส่วนพระอานนทเทระประสงค์จะให้สงรู้การบรรลุพระอาหารหัสต์ของตนจึงไม่ไปพร้อมกับภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายเมื่อนั่งเหนืออาสนะที่พึงแก่ตนแก่ตนตามอาวุโสก็นั่งเว้นอาสนะของพระอานน์เทระไว้ในที่นั้นเมื่อมีพระเทระบางเหล่าถามว่านั่นอาสนะของใครก็มีเสียงตอบว่าของพระอานน์ถามว่าก็พระอานน์ไปไหนซะเล่าสมัยนั้นพระเทระดำริว่า บัดนี้เป็นเวลาที่เราไปได้ละดังนั้นเพื่อสัมแดงอนุภาพของตนจึงดำดินไปแสดงตัวเหนืออาสนะของตนเลยอาจารย์บางพวกกล่าวว่าเหาะมานั่งก็มีเมื่อพระอาน์ น, นั่งเรียบร้อยแล้วท่านพระมหากะสปะเทระจึงปรึกษากับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเราจะสังคยานาอะไรก่อน ธรรมะหรือวินัยภิกษุทั้งหลายจึงเรียนว่าข้าแต่ท่านพระมาหากัสสปะธรรมดาว่าวินัยเป็นอายุของพระพุทธศาสนาเมื่อวินัยยังดำรงอยู่พระศาสนาก็ชื่อว่าดำรงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะสังคยนาวินัยก่อนพระเทระถามว่าจะมอบให้กลาเป็นสังคยนาวินัยเล่าภิกษุทั้งหลายเรียนว่า ท่านพระอุบาลีเจ้าค่ะพระเทระถามแย้งว่าพระอานนุ์ไม่สามารถหรือพิสุทั้งหลายเรียนว่าไม่ใช่ไม่สามารถหรอกเจ้าค่ะแต่เท่าว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ ย, ยังดำรงพระชนอยู่ทรงอาศัยการเล่าเรียนป ร, ริยัติของท่านจึงทรงสถาปนาท่านพระอุบาลีไว้ในตำแหน่งเอตตะทักษะว่าดูก่อนภิษุทั้งหลาย อุบาลีเป็นเลิศ ก, กว่าภิกษุสาวกของเราผู้ทรงพระวินัยดังนี้เพราะฉะนั้นเราจะถามพระอุบาลีเทระช่วยกันสังคยนาวินัยแต่นั้นพระเทระจึงสมมติตนด้วยตนเองเพื่อถามวินัยฝ่ายพระอุบาลีเทระก็สมมติตนเพื่อตอบวินัยในข้อนั้นมีบาลีดังนี้ ครั้งนั้นท่านพระมาหากัสสปะผดียงสงว่าดูก่อนท่านทั้งหลายขอสงโปรดฟังข้าพเจ้าผีว่าสงพระษพร้อมแล้วข้าพเจ้าจะถามวินัยกับท่านอุบาลีแม้ท่านพระอุบาลีก็ผดียงสงว่าข้าแต่ท่านทั้งหลายขอสงโปรดฟังข้า พ, พ, พเจ้าผีว่าสงพระษพร้อมแล้วข้าพเจ้าอันท่านพระมาหากัสสปะถามแล้ว จะตอบวินยัยท่านพระอุบาลีครั้นสมมุติตนด้วยตนเองอย่างนี้แล้วก็ลุกจากอาสนะห่มจีวรเฉวียงบาไหว้พระภิกษุชั้นเทระแล้วนั่งเหนือธรรมะมจับพัดทาด้วยงาต่อ น, นั้นท่านพระมาหากัสปะเทระจึงถามวินัยทั้งหมดตั้งแต่ปฐมประราชิกเป็นต้นไปกับท่านพระอุบาลีเทระท่านพระอุบาลีเทระก็ตอบ พระภิกษุหมดทั้งห้าร้อรูปก็สวดเป็นหมู่พร้อมๆกันตั้งแต่ปฐมป ร, ราชิกสิกขาบทพร้อมทั้งนิทานไปแม้สิกขาบทนอกนั้นก็สวดอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นพึงถือเรื่องทั้งหมดตามอัตถกถาวินยัยท่านพระอุบาลีเทระครันสังคยานาวินัยปิฎกทั้งสิ้นพร้อมทั้งวิพังทั้งสองคือพิกุวิพัง และภิกขุนีวิพังพร้อมด้วยคำภีคันทกะและเปาริวานโดยนัยนี้แล้วก็วางพัดงาลงจากธรรมมาศไหวภิกษุผู้เท่าแล้วก็นั่งเหนืออาสนะที่พึงแก่ตนท่านพระมหากะสปะเทระครั้นสังคยนาวินัยแล้วประสงค์จะสังคยนาธรรมะจึงถามภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลาย เมื่อจะสังคยนาธรรมะจะมอบบุคคลไรเป็นธุระสังคยนาธรรมะภิกษุทั้งหลายจึงเรียนว่ามอบท่านพระอานนทเทระให้เป็นธุระครั้งนั้นท่านพระมหากัสสปะจึงผดียงสงว่าดูก่อนท่านทั้งหลายขอสงโปรดฟังข้าพเจ้าผิวว่าสงพระพร้อมแล้วข้าพเจ้าจะถามธรรมะกับท่านอานนท์ครั้งนั้นท่านพระอานนท์ก็ผดีงสงว่า ข้าแต่ท่านทั้งหลายขอสงโปรดฟังข้าพเจ้าผีว่าสงพรัพร้อมแล้วข้าพเจ้าอันท่านพระมหากัสสปะถามแล้วจะตอบธรรมะดังนี้ครั้งนั้นท่านพระอนนทลุกจากอาสนะอมจีวรฉเวียงบ่าไหว้พระภิกษุชั้นเทระแล้วก็นั่งเหนือธรรมาถือพัดงาลำดับนั้นท่านพระมหากัสสปะเทระ ถามธรรมะกับท่านพระอานนท์ว่าท่านอานนท์พรมชาลสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสณที่ไหนตอบว่าตรัสที่พระตำหนักในพระราชอุทยานชื่ออัมพราติกาซึ่งอยู่ระหว่างกรุงราชครึกกับเมืองนาลันทาถามว่าทรงปรารบใครตอบว่าทรงปราบรสุพิยาภริภาชคพรมทัตมานุ ลำดับนั้นท่านพระมาหากัะสปะถามท่านพระอานนท์ถึงนิทานแห่งพรมชาลาสูตรถามทั้งบุคคลถามว่าท่านอานน์ก็สามัญญพลลสูตรเล่าตรัสที่ไหนตอบว่าที่สวนมะม่วงของหมอชีวกกะหรือหมอชีวกกรุงราชคฤห์ถามว่าตรัสกับใครตอบว่ากับพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรโอรสพระนางเวเทหิ ลำดับนั้นท่านพระมหากัสสปะจึงถามท่านพระอานนท์ถึงนิทานแห่งสามัญญพลละสูตรถามทั้งบุคคลท่านพระมหากัสสปะถามแม้ทั้งห้านิกายโดยอุบายนี้นี่แหละท่านพระอานนท์ถูกถามแล้วถามเล่าก็ตอบได้หมดปฐมมหาสังคีติสังขยาใหญ่ครั้งแรกนี้พระเถระห้าร้อยรูปช่วยกันทําปฐมมหาสังคีติ การทำสังคีณาใหญ่ครั้งแรกอันพระเทระห้าร้อยรูปช่วยกันทำด้วยเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าปัญจสตาและเพราะภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นพระเทระทั้งนั้นจึงเรียกว่าเทริกาลัทธิเทรวาทเมื่อปฐมมหาสังคีตินี้กำลังดำเนินไป เมื่อท่านพระอานน์อันท่านพระมหากระสปะครั้นถามคำภีติคานิกายและคำภีมัชฌิมนิกายเป็นต้นหมดแล้วเมื่อจะถามคำภีขุถะกานิกายตามลําดับในท้ายคำที่ท่านถามเป็นต้นอย่างนี้ว่าท่านอานน์มงคน ล, ลสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสณที่ไหนดังนี้จึงถามถึงนิทานในคำนี้ว่าถามทั้งนิทานถามทั้งบุคคล พระอานนท์ประสงค์จะกล่าวนิทานนั้นให้พิสดารว่าตรัสอย่างใดผู้ใดฟังมาฟังเมื่อใดและผู้ใดกล่าวกล่าวที่ใดกล่าวแก่ผู้ใดจะกล่าวข้อความนั้นให้หมดเมื่อจะแสดงความนั้นว่าตรัสไว้อย่างนี้ข้าพเจ้าฟังมาฟังมาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตรัสที่กรุงสาวัตถีตรัสแก่เทวดา ดังนี้จึงกล่าวว่าเอวํมเมสตังเอกังสมัยยังพระขวาสาวัตยยางวิหรติเจตวเนอนาถะปิญจิกัสสะอารามเมไปจนถึงพระขวันตังคาถายะอจชภาสิคํานี้ท่านพระอานุนกล่าวไว้อย่างนี้ก็แหลคํานั้นพึงทราบว่าท่านกล่าวไว้ในเวลาทำปฐมมหาสังคีติ บัดนี้จะอธิบายในข้อนี้ว่าตรัสเพราะเหตุไรเพราะเหตุที่ท่านพระมหากัสสปะถามถึงนิทานฉะนั้นท่านจึงกล่าวนิทานนั้นไว้พิสดารตั้งแต่ต้นอีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุที่เทวดาบางเหล่าเห็นท่านพระอา น, น์ น, นั่งเหนือธรร ม, มาติห้อมล้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญจึงเกิดจิตคิดว่าท่านพระอ น, น์นี้เป็นเวเทหมุนี แม้โดยปกตินับเพียงอยู่ในสาขญาตรกูลเป็นทายาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงยกย่องไว้ในตำแหน่งเอตัคขะถึงห้าสถานเป็นผู้ประกอบด้วยอริยะอภูท ธ, ธรรมสี่ประการเป็นที่รักที่ต้องใจของบริษัทสีบัดนี้เห็นที่จะเป็นรัชทายาทโดยธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดเป็นพุทธะผู้รู้ ฉะนั้นท่านพระอานนุรู้ทั่วถึงความปริวิตกทางใจของเทวดาเหล่านั้นด้วยใจตนเองทนการยกย่องคุณที่ไม่เป็นจริงนั้นไม่ได้เพื่อแสดงภาวะที่ตนเป็นเพียงสาวกจึงกล่าวว่าเอวํมเมสุตังเอกังสนยังพักขวาจนถึงอั ช, ชาภาสิในระหว่างนี้พระอราหันห้าร้อยรูปและเทวดาหลายพัน ก็ชื่นชมท่านพระอนนุ์ว่าสาธุสาธุแผ่นพื้นมหาปฏภีก็ไหวฝนดอกไม้นาน า, นานชนิดก็หล่นลงจากอากาศความอัศจรรย์อย่างอื่นก็ปรากฏมากมายและเทวดามากหลายก็เกิดความสังเวทว่าคำใดเราฟังมาต่อพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าคำนั้นแม้เหตุการณ์ผ่านพ้นสายตา ม, มาแล้วก็มาเกิดได้ คำนี้ท่านพระอนุนแม้จะกล่าวในเวลาทำประทมมหาสังคีติก็พึงทราบว่าท่านกล่าวเพราะเหตุนี้ด้วยประการชนี้ด้วยการพันนามาเพียงเท่านี้ก็เป็นอันประกาศความแห่งกึงคาถานิว่าวุตตังเยนะยะทธายะสมาเจตังวัตวาอิมังวิทิงกล่าววิธีนี้ว่าผู้ใดกล่าวกล่าวเมื่อใด กล่าวเพราะเหตุใดพนนาปาถะว่าเอวังเป็นต้นเพื่อประกาศความที่รวบรัดไว้ด้วยหัวข้อเป็นต้นอย่างนี้ว่าเอวะมิจจาธิปาทศะอัดถังนานัปการะโตความแห่งปาถะว่าเอวังเป็นต้นโดยประการต่างๆบัดนี้ขออธิบายดังนี้ สับว่าเอวังนี้พึงเห็นว่าใช้ในอัธถทั้งหลายมีเป็นต้นว่าความเปรียบเทียบความแนะนำความยกย่องความติเตียนการรับคําอาการการชี้แจงการห้ามความอื่นริงอย่างนั้นเอวังสับนี้ใช้ในความเปรียบเทียบได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าเอวังชาเตนะมัตเจนะ กัตพังกุสลังผ้าหุงสัตว์เกิดมาแล้วควรบำเพ็ญกุศลให้มากฉันนั้นใช้ในความแนะนำได้นในประโยคเป็นต้นเอวังเตอภิกรมิตพังเอวังเตปติกรมิตพังเธอพึงก้าวไปอย่างนี้พึงถอยกลับอย่างนี้ใช้ในความยกย่องได้นในประโยคเป็นต้น เอวะเมตังพัวาเอวะเมตังสุขตะข้อนั้นเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าข้อนั้นเป็นอย่างนี้พระสุคตใช้ในความติเตียนได้ในประโยคเป็นต้นว่าเอวะเมวังปนานยังวสลียาสมิงวาตสสะมันทกนักสะสามนกกสะวันนังภกสติก็หญิงถอยคนนี้ กล่าวสรรเสริญสมณะหัวโลนนั้นอย่างนี้อย่างนี้นทุกคนทุกแห่งใช้ในการรับคำได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าเอวังพันเตติโขเตภิกขูภคะวัโตปัจโจสสุงภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอย่างนั้นพระเจ้าข่าใช้ในอาการได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่า เอวังพยาโขอะหังพันเตภะคะวตาธรร ม, มังเตสิตังอาชานามิข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วอย่างนี้ใช้ในการชี้แจงได้ในประโยคเป็นต้นว่ามานี่เนี่ยพ่อหนุ่มเจ้าจงเข้าไปหาท่านพระอา น, นุ์เล่าเรียนถามท่านพระอา น, นุ์ถึงความไม่มีอาพาธความไม่มีโรคความคล่องแคล่ว ความมีกําลังความอยู่สําราญและจงพูดอย่างนี้ว่าสุภาพมานพโตทยบุตรเรียนถามท่านพระอานนท์ถึงความไม่มีอาพาธความไม่มีโรคความคล่องแคล่วเป็นต้นนั้นและจงกล่าวอย่างนี้ว่าสาธุขอท่านพระอานนท์โปรดอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศของสุภาพมานพโตทยบุตรด้วยเถิดใช้ในการห้ามความอื่นได้ในประโยคเป็นต้นซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า ตรัสถามว่าดูก่อนชาวกาลมะทั้งหลายท่านจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไรธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลหรืออกุศลทูลตอบว่าเป็นอกุศลพระเจ้าค่ะตรัสถามว่ามีโทษหรือไม่มีโทษทูลตอบว่ามีโทษพระเจ้าค่าตรัสถามว่าวินยูชนติเตียนหรือสรรเซิร์เล่าทูลตอบว่าติเตียนพระเจ้าค่ะตรัสถามว่า บุคคลสมท า, านบริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เพื่อทุกข์หรือไม่ใช่ในข้อนี้ท่านมีความเห็นอย่างไรทูลตอบว่าบุคคลสมท า, านบริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เพื่อทุกข์ข้าพระองค์มีความเห็นในข้อนี้อย่างนี้พระเจ้าค่าแต่ในที่นี้พึงเห็นว่าเอวังสับใจในอัฏฐะ คืออาการการชี้แจงและการห้ามความอื่นในอัฏฐะทั้งสามนั้นพระเทระแสดงอัฏฐะนี้ด้วยเอวังศัพที่มีอัฏฐะเป็นอาการว่าพระดํารัตของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นละเอียดโดยนยะต่างๆเกิดขึ้นมากอัธยาศัยสมบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยัญชนะมีปฏิหารต่างต่างอย่างลุ่มลึกโดยธรรมะอัฏะเทศนา และปฏิเวทมากระทบโสดพอเหมาะแก่ภาษาของตนของตนของสรรพสัตย์ทั้งหลายใครจะสามารถรู้ได้โดยประการทั้งปวงแต่ข้าพเจ้าแม้ใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดให้เกิดความอยากจะฟังก็ได้ฟังมาอย่างนี้คือแม้ข้าพเจ้าก็ได้ฟังมาแล้วโดยอาการอย่างหนึ่งด้วยเอวังสับที่มีอัฏฐเป็นการชี้แจง พระเทระเมื่อจะเลื่องตนว่าข้าพเจ้ามีใช่พระสยามภูมพระสูตรนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทําให้แจ้งจึงแสดงพระสูตรทั้งสิ้นที่ควรกล่าวในบัดนี้ว่าเอวํมเมสุตังคือแม้ข้าพเจ้าก็ได้ยินมาอย่างนี้ด้วยเอวังศัพท์ที่มีศัพท์เป็นการห้ามความอื่นพระเทระเมื่อแสดงพลังความทรงจําของตน อันควรแก่ภาวะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเริญไว้อย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานนท์เป็นยอดของภิกษุสาวกของเราซึ่งเป็นพระหูสูตรมีคติมีสติมีทิฏฐิเป็นพุทธอุปถากดังนี้ย่อมให้เกิดความอยากฟังแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยกล่าวว่าข้าพเจ้าฟังมาแล้วอย่างนี้คำนั้นไม่ขาดไม่เกิน ไม่ว่าโดยอัฏฐาหรือพยัญชนะบัณฑิตพึงเห็นอย่างนี้เท่านั้นไม่พึงเห็นเป็นอย่างอื่นแก้บทเมเมศัพ์บพบกันอยู่ในความสามความจึิงอย่างนั้นเมศัพ์มีความว่ามะยาอันเราได้ในประโยคเป็นต้นว่าภาธาพิขีตังเมอโภชนเนยัง โชนะที่ได้มาด้วยการขับกล่อมอันเราไม่ควรบริโภคมีความว่าไม่หังแก่เราได้ในประโยคเป็นต้นว่าสาธุเมพันเตพัควาสังคิตเตนะทำมังเทเสตุดีละพระเจ้าค่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงแสดงธรรมโดยย่อกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดมีความว่ามามะของเรา ได้ในประโยคเป็นต้นว่าธรรมทายาธาเมภิกขเวภวถฒดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาิของเราเถิดแต่ในที่นี้เมสัพย่อมถูกต้องในความทั้งสองคือเมสุตังอัขคาพเจ้าฟังมามะมะสุตังการฟังของข้าพเจ้า แก่บทสุตังสุตะศับนี้มีอุปสรรคและไม่มีอุปสรรคต่างกันโดยความหลายความเช่นมีความว่าไปปรากฏกำหนดสังสมขวนขวายเสียงที่รู้ทางโสตะและรู้ตามแนวโสตะทะวารเป็นต้นจริงอย่างนั้นสุตะศับนั้นมีความว่าไป ได้ในประโยคเป็นต้นว่าเสนายะปะสุโตเคลื่อนทับไปมีความว่าปรากฏได้ในประโยคเป็นต้นว่าสุตะธรรมัสสะปัสสโตผู้มีธรรมะปรากฏแล้วเห็นอยู่มีความว่ากำหนดได้ในประโยคเป็นต้นว่าอาวสุตตาอาวัสุตสะภิกษุณีมีความกำหนด ยินดีการที่ชายผู้มีความกำนัดมาลูกคลำจับต้องกายมีความว่าสั่งสมได้ในประโยคเป็นต้นว่าตุมเหหิปุญยางปัสสุตังอนัปปักกังท่านทั้งหลายสั่งสมบุญเป็นอันมากมีความว่าขวนขวายได้ในประโยคเป็นต้นว่าเยชานปรสสุตตาทีราปราดเหล่าใดขวนขวายในฌาน มีความว่าเสียงที่รู้ทางโสตะได้ในประโยคเป็นต้นว่าทิฏฐังสุตตังมุตตังรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบมีความว่ารู้ตามแนวโสตทวานได้ในประโยคเป็นต้นว่าสุตตะทะโรสุตะสันนิจโยทรงสุตตะสังสมสุดตะ แต่ในที่นี้สัพบว่าสุตตามีความว่าเข้าไปทรงไว้หรือการทรงจำไว้ด้วยวิถีวิญญาณซึ่งมีโสตวิญญาณเป็นหัวหน้าในคำนั้นเมื่อใดเมสัพมีความว่าไมายาอันข้าพเจ้าเมื่อนั้นก็ประกอบความว่าอันข้าพเจ้าฟังมาแล้วคือทรงจำไว้แล้วด้วยวิถีวิญญาณอันมีโสตวิญญาณเป็นหัวหน้าอย่างนี้ เมื่อใดเมศั์มีความว่ามา ม, มะของข้าพเจ้าเมื่อนั้นก็ประกอบความว่าการฟังของข้าพเจ้าคือการทรงจำไว้ด้วยวิถีวิญญาณอันมีโสตวิญญาณเป็นหัวหน้าบรรดาบททั้งสามเหล่านั้นดังพันนามานีบทว่าเอวังเป็นบทชี้ถึงกิจคือหน้าที่ของโสตวิญญาณ บทว่ามะยาเป็นบทชี้ถึงบุคคลผู้ประกอบด้วยโสตวิญญาณที่กล่าวแล้วบทว่าสุดตังเป็นบทชี้ถึงการถือเอาไม่ขาดไม่เกินและไม่วิปริตเพราะปฏิเสธภาวะคือการไม่ได้ฟังในยะหนึ่งบทว่าเอวังเป็นบทแสดงถึงภาวะที่มีจิตคิดจะฟังเป็นต้นเป็นไปในอารมณ์โดยประการต่าง บทว่าเมเป็นบทแสดงถึงตัวบทว่าสุดตังเป็นบทแสดงถึงธรรมอะอีกไตยยหนึ่งบทว่าเอวังเป็นบทชี้แจงธรรมะที่ควรชี้แจงบทว่าเมเป็นบทชี้แจงตัวบุคคลบทว่าสุดตังเป็นบทชี้แจงกิจคือหน้าที่ของตัวบุคคลอีกไตยยหนึ่ง สับว่าเอวังอธิบายถึงประการต่างๆของวิถีจิตทั้งหลายเป็นอาการบัญญัติศัพ์ว่าเมอธิบายถึงตัวผู้ทําศับว่าสุตังอธิบายถึงวิสัยอีกในยะหนึ่งศัพ์ว่าเอวังอธิบายถึงกิจหน้าที่ของบุคคลศัพ์ว่าสุตังหมายถึงกิจหน้าที่ของวิญญาณศัพ์ว่าเมอธิบายถึงบุคคล ผูประกอบด้วยกิจทั้งสองอีกในย่าหนึ่งสับว่าเอวังแสดงถึงภาวะศั์ว่าเมแสดงถึงบุคคลศัพ์ว่าสุดตังแสดงถึงกิจของบุคคลนั้นในคําเหล่านั้นคําว่าเอวังและเมชื่อว่าอุปาทาบัญญัติเพราะกล่าวอาศัยอารมณ์นั้นๆ คำว่าสุดตังชื่ออุปนิธาบัญญัติเพราะกล่าวอ้างอารมณ์มีอารมณ์ที่เห็นแล้วเป็นต้นก็ในคำทั้งสามนั้นพระเถระแสดงไม่หลงเลือนด้วยคำว่าเอวังความไม่หลงลืมเรื่องที่ฟังมาด้วยคำว่าสุดตังอันหนึ่งพระเถระแสดงอาการใส่ใจโดยแยบคายด้วยคำว่าเอวังเพราะไม่มีการแทงตลอดโดยประการต่าง สำหรับผู้ใส่ใจโดยไม่แยบขายแสดงความไม่ฟุ้งซ่านด้วยคำว่าสุตังเพราะไม่มีการฟังสำหรับผู้มีจิตฟุ้งซ่านจริงอย่างนั้นบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่านแม้ท่านจะกล่าวครบถ้วนทุกอย่างก็จะกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้ยินโปรดพูดซ้าสิก็ในข้อนี้บุคคลจะให้สำเร็จการอย่างตนไว้ชอบและความเป็นผู้ทาบุญไว้ก่อน ก็ด้วยการใส่ใจโดยแยกคายจะให้สำเร็จการฟังธรรมะของสัตบุรุษและการฟังพาอาศัยสัตบุรุษก็ด้วยความไม่ฟุ้งซ่านก็พระเถระแสดงความถึงพร้อมด้วยจักธรรมสองข้อหลังของด้วยอาการอันงามด้วยบทว่าเอวังนี้แสดงความถึงพร้อมด้วยจักธรรมสองข้อต้นด้วยความเพียรฟังด้วยบทว่าสุตัง อันหนึ่งพระเถระแสดงความบริสุทธิ์แห่งอัธยาศัยและความบริสุทธิ์แห่งความเพียรอย่างนั้นคือแสดงความฉลาดในอธิคมด้วยความบริสุทธิ์แห่งอัธยาศัยทั้งแสดงความฉลาดในปริยัตยด้วยความบริสุทธิ์แห่งความเพียรอันหนึ่งพระเถระแสดงความถึงพร้อมด้วยอัฏฐปฏิสัมพิทาและปฏิพานปฏิสัมพิทาของตน ด้วยถ้อยคำอันแสดงปฏิเวศมีประการต่างๆด้วยคำว่าเอวังนี้แสดงความถึงพร้อมด้วยธรรมปฏิสัมพิทาและนิรุกติปฏิสัมพิทาด้วยถ้อยคำอันแสดงปฏิเวศอันต่างด้วยข้อที่ควรฟังด้วยคำว่าสุดตังนี้อันหนึ่งพระเทระเมื่อกล่าวคำที่แสดงถึงความใส่ใจโดยแยบคายนี้ ก็ประกาศให้เขารู้ว่าธรรมะเหล่านี้ข้าพเจ้าเพ่งด้วยใจแล้วรู้ทะลุปลุกโปลงแล้วด้วยทิฏฐิด้วยคําว่าเอวังเมื่อกล่าวคําอันแสดงถึงความเพียรฟังนี้ก็ประกาศให้เขารู้ว่าธรรมะเป็นอันมากข้าพเจ้าฟังแล้วทรงจําแล้วคล่องปากแล้วด้วยคําว่าสุตังเมื่อแสดงความบริบูรณ์แห่งอัฏฐและพยัญชนะ ให้เกิดความเอื้อเฟื้อที่จะฟังแม้ด้วยคำทั้งสองนี้อันหนึ่งท่านพระอานน์ไม่ตั้งธรรมะที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วเพื่อตนลวงเสียซึ่งภูมิของอสส์บุรุษเมื่อปฏิญาณความเป็นพระสาวกจึงก้าวลงสู่ภูมิของสัตบุรุษด้วยคำแม้ทั้งสิ้นว่าเอวังเมสุตังนี้ อันหนึ่งพระเทระชื่อว่ายกจิตขึ้นจากสัตธรรมทิ้งจิตไว้ในพระสัตธรรมอันหนึ่งเมื่อแสดงว่าพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นข้าพเจ้าฟังมาแล้วอย่างสิ้นเชิงชื่อว่าเปลืองตนอ้างพระาศาสดาแนบสนิทพระพุทธดํารัสตั้งแบบแผนธรรมะไว้ อันหนึ่งเล่าพระเทระไม่ยอมรับความที่คำว่าเอวังเมสุตังคนทำให้เกิดขึ้นเมื่อเปิดการฟังมาก่อนใครจึงควรทราบว่าท่านชื่อว่าทำลายความไม่เธอตรงนี้น่าจะพิมพ์ผิดนะครับทำให้เกิดศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความเชื่อในพระธรรมนี้แก่มวลเทวดาและมนุษย์ว่าพระดํารัสนี้ ข้าพเจ้ารับมาตอบพระภาคของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้กล้าวกล้าด้วยจตุเวสารชยานผู้ทรงทศพลผู้ดำรงอยู่ในตำแหน่งสูงสุดผู้บรรเลงศีหษะนาดผู้ทรงเป็นยอดของสัพพสัตทรงเป็นใหญ่ในธรรมทรงเป็นราชาแห่งธรรมอธิบดีแห่งธรรมทรงมีธรรมะเป็นที่พึ่งอาศัยทรงหมุนจักอันประเสรศิฐคือสัตธรรม ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบลำพังพระองค์ในบทดํารัตนั้นไม่ควรทำความสงสัยเคลือบแคลงในอัฏฐะหรือธรรมะบทหรือพยัญชนะเลย <c oughs> ก็ในข้อนี้มีคำกล่าวว่า <c oughs> วินาสยติอัสสาทิยังสัทธังวัตเทติสาสเนเอวัมเมสุตตามิเจวัง วัทางโคตมะสาวกโกท่านพระอานนท์สาวกของพระโคโดมพุทธเจ้าเมื่อกล่าวคำว่าเอวัมเมสุตังชื่อว่าทาลายอสสัทธิยะความไม่เชื่อเพิ่มพูนศรัทธาความเชื่อในพระศาสนาแก่อัฏถะเอกังและสมยังสัพวาเอกัง แสดงการกำหนดจำนวนศัพ์วาสมยัาแสดงการที่กำหนดสองคำว่าเอกังสมยญาแสดงการไม่แน่นอนในคำนั้นสมาศัพั์มีความว่าพร้อมเพรียงขณะการประชุมเหตุลทัทธิได้เฉพาะละและแทงตลอดจริงอย่างนั้นสมาศัพั์นั้น มีความว่าพร้อมเพรียงได้ในประโยคมีเป็นต้นว่าอเปวะนามะเสวปิปอุปสรงกเมยามะการันจะสมยันจะอุปาทายะถ้ากระไรเราทั้งหลายกำหนดการและความพร้อมเพรียงพึงเข้าไปหาแม้ในวันพรุ่งนี้มีความว่าขณะได้ในประโยคเป็นต้นว่าเอโกวะโขพิขเวขโนจะสมโยจะ พรมจริยาวาสายะดูก่อนภิกษุทั้งหลายโอ ก, กาสและขณะเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรมีอย่างเดียวแลมีความว่าการได้ในประโยคเป็นต้นว่าอุณหะสมโยปาริลาหะสะมโยการร้อนการกระวนกระวายการในที่นี้สะกดด้วยลอลิงนะครับ มีความว่าประชุมได้ในประโยคเป็นต้นว่ามหาสมโยปวานัสมิการประชุมใหญ่ในป่าใหญ่มีความว่าเหตุได้ในประโยคเป็นต้นว่าสมโยปิโขเตพัททาลิอัปปติวิทโทอโหสิภคะวาโขสาวัตทยิยางวิหรติโสปีมังชานิสติพัททาลินามะพิกขุสัตตุสาสเนสิกขายะ อปริปุรการีติอยัมปิโคเตพัทาลิสมโยอัปฏปิวิทโทอโหสิดูก่อนพัทาลิเธอก็ไม่รู้ตลอดถึงเหตุว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่กรุงสาวัตถีแม้พระองค์ก็จักทรงทราบตัวเราว่าภิกษุชื่อพัทตาลิไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์ในคำสอนของพระาศาสดาดูกนพัทาลิ เธอไม่รู้ตลอดถึงเหตุแม้นี้แหละมีความว่าลัทธิได้ในประโยคเป็นต้นว่าเตนะโขปนะสมเยนะปุกหามโนปริภาชโกสมณะมุนทิากาปุตโตสมยปาวาทะเกตินุทุกาจิเรเอกะสาละเกมลิกายะอารามเมปฏิวาสติสมัยนั้นปริภาชก ชื่ออุคาหามนะบุตรของนางสมณ น, นุทิกาอาศัยอยู่ในอารามของพระนางมาลิกาซึ่งมีศาลาหลังเดียวมีต้นมะพร้าวเรียงรายอยู่รอบเป็นสถานที่สอนลทัทธิมีความว่าได้เฉพาะได้ในประโยคเป็นต้นว่าทิเท ร, รมเมจะโยอัตโถโยจัตโถสัมปรายโกอัตถาพิสมยาทีโรปันทิโตติ ปวุจจติผู้มีปัญญาท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะได้เฉพาะประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายภาคหน้ามีความว่าละได้ในประโยคเป็นต้นว่าสัมมา mana มาาพิสมยาอันตมกาสิทุกขสะทธำที่สุดแห่งทุกขเพราะละมานะได้โดยชอบมีความว่าแทงตลอดได้ในประโยคเป็นต้นว่าทุกขสัท ปิลณะณัตโถสังคตัตโถสันตาปัตโถวิปรินามัตโถอภิสมายะโถมีความบีบคั้นปรุงแต่งเร่าร้อนแปรปรวนแทงตลอดแต่ในที่นี้สมยญัสท์นั้นมีความหมายว่าการที่สะกดด้วยลอลิงนะครับด้วยเหตุนั้นพระเทระจึงแสดงว่าเอกังสมยยังสมัยหนึ่ง บรรดาสมัยทั้งหลายที่เรียกว่าการเป็นต้นว่าปีฤดูเดือนครึ่งเดือนคืนวันเชา้ากลางวันเย็นยามต้นยามกลางยามท้ายและครูท่านอธิบายว่าสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ใดที่เรียกว่าการมีมากซึ่งปรากฏอย่างยิ่งในหมู่เทวดาและมนุษย์เป็นต้นอย่างนี้คือสมัยเสด็จลงสู่พระคัน สมัยประสูตรสมัยทรงสังเวชสมัยเสด็จออกทรงผนวดสมัยทรงทำทุกะราคริยาสมัยทรงชนะมารสมัยตรัสรู้สมัยประทับอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสมัยเทศนาสมัยปรินิพานบรรดาสมัยเหล่านั้นพระเถระแสดงสมัยหนึ่งกล่าวคือสมัยเทศนา ท่านอธิบายว่าบรรดาสมัยทรงทรรมกิจด้วยพระญาณและทรงธรรมกิจด้วยพระกรุณาสมัยทรงทรรมกิจด้วยพระกรุณานี้ใดบรรดาสมัยทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์ส่วนผู้อื่นนี้ใดบรรดาสมัยทรงปฏิบัติกรณียกิจทั้งสองแก่บริษัทที่ประชุมกันสมัยทรงกล่าวทำมีกถานี้ใดบรรดาสมัยเทศนาและปฏิบัติสมัยเทศนานี้ใด บรรดาสมัยแม้เหล่านั้นพระเทระแสดงว่าเอกังสมยังสมัยหนึ่งหมายเอาสมัยใดสมัยหนึ่งในข้อนี้ผู้ทักทวงกล่าวว่าเพราะเหตุไรในพระสูตรนี้ท่านจึงทานิเทศเป็นทุติยาวิพัตต์ไม่ทำเหมือนในอภิธรรมที่ทำนิเทศเป็นสัตตะมีวิพัตติว่า ยัสมิงสหเยกามาวัจรังและในสุตตบทอื่นนอกจากอภิธรรมนี้ว่ายัสมิงสมยเยพิกเวภิกขวิวิเจวากาเมหิตและเหมือนในวินัยที่ทำเป็นนิเทศเป็นตติยาวิพัตติว่าเตนะสมายเนพุทโภควาขอกล่าวชี้แจงดังนี้เพราะในพระอภิธรรมและพระวินัยนั้น สมัยศัสา์มีอัฏฐะเป็นอย่างนั้นส่วนในพระสูตรนี้มีอัฏฐะเป็นอย่างอื่นความจริงบรรดาปิดกทั้งสามนั้นในอภิธรรมปิดกสมัยศาสา์มีอัฏฐะว่ากำหนดภาวะจริงอยู่อธิกรณะก็คือสมัยศัพท์ที่มีความว่าการสะกดด้วยลอเลิง น, นะครับและมีความว่าประชุม และภาวะแห่งธรรมะมีผัรษะเป็นต้นนั้นกำหนดได้ด้วยภาวะแห่งสมัยคือขณะความร้อมเพลียงและเหตุแห่งธรรมะทั้งหลายมีผัรษะเป็นต้นที่กล่าวแล้วในอภิธรรมปิดกและสุตตะบทอื่นนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงทำนิเทศเป็นสัตตะมีวิพัตติในอภิธรรมปิดกนั้นเพื่อสองความนั้น ส่วนในวินัยปิดกสมยย่าสามีความหมายว่าเหตุและมีความว่ากัรณะจริงอยู่สมัยทรงบัญญัติสิกขาบทนั้นใดแม้พระเถระมีพระสารีบุตรเป็นต้นยังรู้ได้โดยยากโดยสมัยนั้นอันเป็นเหตุและเป็นกัรณะพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงบัญญัติสิกขาบททั้งหลายก็ทรงเพ่งถึงเหตุแห่งการบัญญัติสิกขาบท จึงประทับอยู่ณสถานที่นั้นๆเพราะฉะนั้นท่านจึงทำนิเทศเป็นตติยาวิพัติไว้ในวินัยปิฎกนั้นเพื่อส่องความนี้ส่วนในสูตรนี้และในปาะิหาริยสุตตันตปิฎกซึ่งมีกำเนิดอย่างนี้อื่นๆสมัยศาสา์มีอัฏถาว่าอจจันตะสังโยคะคือทุติยาวิพัติที่แปลว่าตลอด จิงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงสูตรนี้หรือสูตรอื่นตลอดสมัยใดก็ประทับอยู่ด้วยพระกรุณาวิหารตลอดไปคือตลอดสมัยนั้นเพราะฉะนั้นสมัยญาต์จึงควรทราบว่าท่านทมนิเทศเป็นทุติยาวิพัติไว้ในสูตรนี้ก็เพื่อส่องความนั้นในข้อนี้มีคำกล่าวว่า ต่างๆอธรรมะเปกิกคิตตวาภุมเมนะกรเนนะจอัญญตะสะมโยวุตโตอุปโยเคนะโสอิทะท่านพิจารณาอัตถานั้นๆกล่าวสมยศัพท์ในปิฎกอื่นด้วยสัตตะมีวิพัตติและด้วยตติยาวิภตัตติแต่ในสุตตันตปิฎกนี้สมยศะพท์นั้นท่านกล่าวด้วยทุติยาวิพัตติ แก่อัฏฐบทภควานิคำว่าพักวานี้เป็นคําเรียกพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้วิเศษด้วยพระคุณเป็นยอดของสัตว์เป็นครูและควรเคารพเหมือนอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าคําว่าพักวาเป็นคําประเสริฐสุดคําว่าพักวาเป็นคําสูงสุดพระองค์ทรงเป็นครูและควรแก่ความเคารพด้วยเหตุนั้น บัณฑิตจึงเรียกว่าพักวะความจริงนามคือชื่อมีสีคืออวัติกะชื่อตามรุ่นลิงคิกะชื่อตามเพศในมิตกะชื่อตามคุณอทิจัสมุปปันนะชื่อตั้งลอยลอยชื่อว่าอธทิจัสมุปปันนะ น, นามท่านอธิบายว่า เป็นนามที่ตั้งตามความพอใจในนามทั้งสี่นั้นนามเป็นต้นอย่างนี้ว่าโคลูกโคฝึกโคงานชื่อว่าอวัถิกนามนามเป็นต้นอย่างนี้ว่าคนมีไม้เท้าหรือคนแก่คนมีฉาดหรือพระราชาสัตว์มีงอนสัตว์มีงวงชื่อว่าลิงคิกานาม นามเป็นต้นอย่างนี้ว่าผู้มีวิชาสามผู้มีอภิญญาหกชื่อว่าเนมิคิกานามนามเป็นต้นอย่างนี้ว่าผู้เจริญด้วยสิริผู้เจริญด้วยทรัพย์ซึ่งเป็นไปไม่เพ่งความของคำชื่อว่าอาทิตย์จัสมุปปันน า, นามส่วนนามว่าพักวานี้เป็นเนมิตกะนามโดยพระคุณ ไม่ใช่พระนางเจ้ามหามายาพุทธมารดาตั้งไม่ใช่พระเจ้าสุทธทนะมหาราชพุทธบิดาตั้งไม่ใช่พระประยุรยาตแปดหมืี่พันพระองค์ตั้งไม่ใช่เทวดาพิเศษมีเท้าสักกะเท้าสันดุสิตเป็นต้นตั้งเหมือนอย่างที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวไว้ว่าพระนามว่าพัควานี้พระพุทธมารดามีในตั้งเป็นต้นพระนามคือพัควาน เป็นสัจจิกาบัญญัติเพื่อประกาศพระคุณทั้งหลายที่เป็นคุณในมิตกนานามพระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวคถานี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงพระนามว่าพักวาเพราะทรงเป็นผู้มีภักคะคือโชคเพราะทรงเป็นผู้เสพที่สงัดเพราะทรงมีภาคคือส่วนที่ควรได้รับจตุ ป, ปัจจัยหรือมีส่วนแห่งธรรมะเพราะทรงเป็นผู้จำแนกธรรม เพราะได้ทรงทาการหักบาป ร, รมเพราะทรงเป็นครูเพราะทรงมีภาเขยะคือบุญเพราะทรงอบรมพระองค์ดีแล้วด้วยยญายธธรรมเป็นอันมากเพราะเป็นผู้ถึงที่สุดพบก็ความแห่งพระคุณบทว่าพักวานั้นพึงเห็นตามนัยยะที่กล่าวไว้แล้วในนิเทศเป็นต้นนั้นแลอันหนึ่งปริยายอื่นอีกมีดังนี้ พระองค์ทรงมีบุญทรงหักกิเลสทรงประกอบด้วยพักธรรมทรงจำแนกธรรมทรงเสพธรรมทรงคายกิเลสเป็นเหตุไปในภพทั้งหลายได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงทรงพระนามว่าพักวาในบทเหล่านั้นพึงทราบว่าท่านถือลักษณะแห่งนิรุติศาสตรอย่างนี้ว่าลงอักษรใหม่ย้ายอักษรเป็นต้น หรือถือลักษณะการรวมเข้าในชุดสัพท์มีปดโสธราสัพท์เป็นต้นตามนัยยะแห่งศัพทศาสตร์เมื่อน่าจะเรียกว่าพระภาคยวาเพราะพระองค์มีพาคยะคือบุญบารมีมีทานและศีลเป็นต้นอย่างเยี่ยมอันให้เกิดความสุขทั้งโลกิยะและโลกุตระแต่ก็เรียกเสีอว่าพัควะ อันหเพราะเหตุที่พระองค์ทรงหักรานกิเลสอันทําความกระวนกระวายเร่าร้อนนับแสนประเภทคือประเภทโลภะโทสะโมหะประเภทวิปริตรณสิกานประเภทอหฮิริกะอโนตตะปะประเภทโกธาอุปนาหะประเภทมัคคะปลาสะประเภทอิสสามะฉริยะประเภทมายาสาเธยะประเภทธรรมภะ สารัมภะประเภทมานะอติมานะประเภทมัทะปรมมาทะประเภทตัณหาอวิชชาประเภทอกุศลรมูลสามทุจริตสาสังกิเล ส, สา ม, มาละสามวิสมะสามสัญญาสามวิตกสามปปัญจธรรมสามประเภทวิปบริเยสะสี่อสวะสีคันทะสี โคะสีโยคะสีอคติสีตันหุ ป, ปาทะสีประเภทเจโตขีละห้าวินิพันธะห้าดีวรณะห้าอภินันทะห้าประเภทวิวาทมูลหกตันหากายะหประเภทอนุสสยเจ็ประเภทมิช ต, ตะ8ปดประเภทตันหามูลกะเ9้า ประเภทอากุศลกรรมบทสิบประเภททิฏฐิคตะหกสิบสองประเภทตัญหาวิจริตรหนึ่งร้อยแปดหรือว่าโดยสังเขปคือมานห้าคือกิเลสมารคันธมานอภิสังขารมานมัจจุมานและเทวปุตตมารฉะนั้นเมื่อน่าจะเรียกว่าพักขวา ในที่นี้สะกดด้วยพอสัมเภลาไม่หันอากาศคอควายนะครับก็เรียกเสีย ว, ว่าพระขวาสะกดด้วยพอสัมเภลาคอควายวอรแวนสระอาเพราะทรงหักรานอันตรายเหล่านั้นเสียได้ในข้อนี้ท่านกล่าวไว้ว่าทรงหักราคะหักโทสะหักโมหะไม่มีอาสวะทรงหักบาปรรมได้แล้วด้วยเหตุนั้น ท่านจึงเรียกว่าภักวาก็แลความถึงพร้อมแห่งพระรูป ก, กายของพระองค์ผู้ทรงไว้ซึ่งพระบุญญลักษณะ น, นับร้อยเป็นอันท่านแสดงด้วยความที่ทรงมีภาคยะคือบุญความถึงพร้อมแห่งพระธรรมกายเป็นอันท่านแสดงด้วยความที่ทรงหักโทสะได้แล้วความเป็นผู้ที่ชาวโลกและคนใกล้เคียงนับถือมากก็ดี ความเป็นผู้ที่เขาฤ ห, หัสและบรประชิตทั้งหลายไปมาหาสู่ก็ดีความเป็นผู้สามารถในอันช่วยขจัดทุกข์กายและทุกข์ใจแก่ผู้ไปมาหาสู่ก็ดีความเป็นผู้ทาอุปการะเขาด้วยอาิสทานและธรรมทานก็ดีความเป็นผู้สามารถนรกกาใาานอันประกอบเขาไว้ด้วยโลกิยาสุขและโลกุตราสุขก็ดีเป็นอันท่านแสดงด้วยพระคุณสองอย่างนี้ อันหนึ่งเพราะเหตุที่พักคะสับในโลกเป็นไปในธรรมะหกคืออิสริยะธรรมะยัสสะสิริกามะปยะตะัตตาก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงมีอิสริยะความเป็นไปในจิตของพระองค์เองอย่างเยี่ยมหรือทรงมีอิสริยะบริบูรณ์โดยอาการทุกอย่างที่สมมุติว่าเป็นโลกิยะ มีอนิมาทำตัวให้เล็กคือย่อส่วนหลังคีมาทำตัวให้เบาคือหอกส่งมีโลกุตระ ร, รมก็เหมือนกันส่งมียศบริบูรณ์อย่างยิ่งที่ส่งได้โดยพระคุณตามเป็นจริงปรากฏทั่วสามโลกส่งมีพระสิริสง่า ง, งามทั่วสันพางบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่าง ทรงสามารถให้เกิดขวัญตาขวัญใจแก่ผู้ควรขวายเข้าชมพระรูปพระโฉมได้ทรงมีพระกามะอันหมาถึงความสําเร็จแห่งประโยชน์ที่ทรงประสงค์เพราะประโยชน์ใดๆที่ทรงประสงค์แล้วปรารถนาแล้วจะเป็นประโยชน์นี้ก็ตามประโยชน์ผู้อื่นก็ตามประโยชน์นั้นๆก็สําเร็จสมพระประสงค์ทั้งนั้นและทรงมีพระบาริยัตตะ กล่าวคือสัมมาวายามะอันเป็นเหตุเกิดความเป็นครูของโลกทั้งปวงฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าพักวาโดยอัฐานิว่าทรงมีพักธรรมเพราะความที่ทรงประกอบด้วยพักธรรมเหล่านั้นแก้บทวิพัตตวา อั น, นึงเพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นวิพัตตวาท่านอธิบายว่าทรงจำแนกเปิดเผยแสดงซึ่งธรรมะทั้งปวงโดยประเภทมีประเภทกุศลเป็นต้นหรือซึ่งธรรมะมีกุศลธรรมเป็นต้นโดยประเภทมีขันอัยตนะาธาตุสัจจะอินทรีย์และปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นหรือซึ่งทุกขอริยสัต โดยอัฏฐะคือปีละนบีดคันสังคตะอันเป็นปัจจัยปรุงแต่งสันตาปะแผดเผาวิปรินามะแปรปรวนหรือซึ่งสมุทัยอริยสัตว์โดยอัฏฐะคืออายุหณนะประมวลทุกมาดิธานะเหตแห่งทุกข์สังโยคะผูกไว้กับทุกข์ ปลิโพธะห่วงไว้ไมิให้ถึงมรรคซึ่งนิโรธอริยสัตว์โดยอัฏฐะคือนิสสารณะออกไปจากทุกข์วิเวกะสงัดจากทุกข์อสังคตะอันปัจจัยมิได้ปรุงแต่งอมตะเป็นสภาพไม่ตายซึ่งมรรคะอริยสัตว์โดยอัฏฐะคือนิยานิกะ นำออกจากทุกข์เหตุเหตุแห่งนิโรธทัศนะเห็นพระนิพพานอธิปไตยใหญ่ในการเห็นพระนิพพานฉนั้นเมื่อน่าจะเรียกว่าวิพัตตวาแต่ก็เรียกเสว่าพัคขวาแก้บทพัตตวา อันหนึ่งเพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงครบทรงเสพทรงทำให้มากซึ่งธรรมะอันเป็นทิพภวิหารพรหมวิหารและอริยวิหารซึ่งกายวิเวกจิตตวิเวกและอุปธิวิเวกซึ่งสุญญาตะวิโมกอปปนิหิตะวิโมกและอนิมิตะวิโมก และซึ่งอุตริมนุสธรรมทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระอื่นๆฉะนั้นเมื่อหน้าที่จะเรียกว่าพัตตวาแต่ก็เรียกซื้อว่าพัคขวาแก้บทพระเวสุวันตะคามณนะอันหนึ่งเล่าเพราะเหตุที่การไปกล่าวคือ หาในภพทั้งสามอันพระองค์ทรงคายเสียแล้วฉะนั้นเมื่อนาที่จะเรียกว่าพระเวสุวันตะคมะณะแต่ท่านถือพออักษรจากภวะสับขออักษรจากคมะณะสับแล้ววอักษรจากวันตะสับแล้วทำให้เป็นทีฆะเสียงยาวเรียกเสียว่าพะควาเหมือในทางโลกเมื่อนาจะเรียกเต็มๆว่าเมหนัสสะ ขะมาลาแต่พระท่านถือเอาเมจากเมหานัสะขอจากขัะลาจากมาลาก็เรียกเสีย ว, ว่าเมขลาฉะนั้นแหลก็ท่านพระอานนทเทระเมื่อแสดงธรรมตามที่ได้ฟังมาเล่าเรียนมาจึงประกาศพระสรีระธรรมคือตัวธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ประจักษ์ด้วยคำว่า เอวัมเมสุตังในพระสูตรนี้ด้วยคําเพียงเท่านี้ด้วยเหตุนั้นพระเถระจึงปลอบชนผู้มีใจพลุ่งพล่านเพราะไม่พบพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าป่าพน์คือธรรมวินัยนี้ชื่อว่ามีศาสดาล่วงแล้วหามิได้ธรรมวินัยนี้เป็นศาสดาของท่านทั้งหลายด้วยคําว่า เอ ก, กังสมัยยังพักวา่าพระเทระเมื่อแสดงความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีอยู่ในสมัยนั้นชื่อว่าแสดงปา ร, ริณิพานแห่งพระรูปกายด้วยคำนั้นพระเทระย่อมยังชนผู้มัวเมาเพราะมัวเมาในชีวิตให้สลดใจและยังอุตสาหาในิธรรมะให้เกิดแก่ชนนั้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้พระองค์นั้น ผู้ทรงแสดงอริยธรรมนี้อย่างนั้นทรงทศพลมีพระกายดุจร่างเพชรก็ยังเสด็จปริณิพานในข้อนั้นคนอื่นใครเล่าจะพึงให้เกิดความหวังในชีวิตได้ก็พระเถระเมื่อกล่าวว่าเอวังชื่อว่าแสดงเทศนาสมบัติความถึงพร้อมแห่งเทศนา เมื่อกล่าวคำว่าเมสุตังชื่อว่าแสดงสาวกสมบัติความถึงพร้อมแห่งสาวกเมื่อกล่าวคำว่าเอกังสมยัง um ชื่อว่าแสดงกาลสมบัติความถึงพร้อมแห่งการเมื่อกล่าวคำว่าพัควาชื่อว่าเคสกะสมบัติความถึงพร้อมแห่งผู้แสดง แก่บทสาวัตพียังวิหารติคำว่าสาวัถีในคำว่าสาวัถียังวิหารตินี้ได้แก่นคร อ, อันเป็นสถานที่อยู่ประจาของฤาษีชื่อสาวัถะเหมือนคำว่ากากระนีมาก น, นันทีฉะนั้นดังนั้นท่านจึงเรียกว่าสาวัถีเป็นศท์อิทรีลิงคือเพศหญิง ปราดทางอสระศาสตร์กล่าวกันอย่างนี้ส่วนพระอัตฐกถาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับมนุษย์มีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างในนครนั้นเหตุนั้นนครนั้นจึงชื่อว่าสาวัตถีแต่ในการประกอบศั์เมื่อถูกถามว่ามีสิ่งของอะไรจึงอาศัยคําว่ามีทุกอย่างประกอบว่าสาวัตถีมีของทุกอย่าง เครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างมีพร้อมในกรุงสาวัตถีทุกเมื่อเพราะฉะนั้นหมายถึงของทุกอย่างจึงเรียกว่าสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลน่ารื่นรมหน้าชมน่าชื่นใจไม่เงียบจากเสียงทั้งสิบรั่งพร้อมด้วยข้าวน้ํากรุงสาวัตถีราชธานีถึงความเจริญภัยบุญมั่งคัง่งรุ่งเรืองน่าระรื่นใจ ดังกรุงอลาะกะมันทาเทพธานีของเหล่าทวยเทพฉะนั้นใกล้กรุงสวัสีนั้นคำนี้เป็นสัตตะมีวิภัรติลงในอัฐะว่าใกล้คำว่าวิหรตินี้เป็นคำแสดงความพร้อมด้วิหารการอยู่บรรดาอิริยาบทวิหารทิพวิหารรมวิหารและอริยาวิหารแบบใดแบบหนึ่ง โดยไม่แปลกกันแต่ในพระสูตรนี้แสดงความประกอบพร้อมด้วยอิริยาบถวิหารในอิริยาบถต่างโดยยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถหนึ่งด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนก็ดีทรงดำเนินก็ดีประทับนั่งก็ดีบรรทมก็ดีก็พึงทราบว่าวิหรติอยู่ทั้งนั้น จึงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงตัดความลำบากแห่งอิริยาบถอย่างหนึ่งด้วยอิริยาบถอีกอย่างหนึ่งคือการเปลี่ยนอิริยาบถทรงบริหารอัตภาพให้เป็นไปแม่ลำบากเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าวิหารติประทับอยู่แก่อัฏฐบทเชตวเน พึงทราบวินิจัยในบทว่าเชตวเนนีดังนี้พระราชกุมารชื่อว่าเชตะเพราะชนะชนผู้เป็นศัตรูของตนหรือว่าเชตะเพราะประสูติเมื่อพระราชาทรงชนะชนผู้เป็นศัตรูหรือว่าชื่อเชตะแม้เพราะพระราชชาทรงขนานพระนามอย่างนี้แก่พระราชกุมารเพราะมีพระราชประสงค์จะให้เป็นมงคล ที่ชื่อว่าวันะเพราะให้คบหาอธิบายว่าให้ทำความพักดีแก่ตนเพราะความถึงพร้อมแห่งตนคือให้เกิดความรักในตนอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าวันะเพราะเรียกร้องอธิบายว่าประหนึ่งว่าวอนขอสัตว์ทั้งหลายว่าเชิญมาใช้สอยรอเราเถิดวันะของเชตะ ร, ราชกุมาร ชื่อว่าเชตวันจึงอยู่เชตวันนั้นอันพระราชกุมาหพระนามว่าเชตะปลูกสร้างบำรุงรักษาเชตาราชกุมารนั้นเป็นเจ้าของเชตวันนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกกันว่าเชตวันในพระเชตวันนั้นแกอัฏฐาบท อนนาถะปินทิกัสสะอารามเเมพึงทราบวินิจฉัยในบทว่าอนนาทะปินทิกัสสะอารามเมนี้ดังนี้เขเรืหบดีนั้นชื่อสุทตะโดยบิดามารดาตั้งชื่อให้อนหนึ่งท่านได้ให้ก้อนข้าวเป็นทานแก่คนอนาถาเป็นประจำเพราะท่านเป็นคนปราศจากมนทินคือความตรนี และเพราะเป็นผู้พรังพร้อมด้วยคุณมีกรุณาเป็นต้นเหตุท่านเป็นผู้มั่งคั่งด้วยสมบัติที่น่าปรารถนาทุกอย่างด้วยเหตุนั้นท่านจึงได้รับขนานนามว่าอนาถปินทิกะประเทศที่ชื่อว่าอารามเพราะเป็นที่สัตว์ทั้งหลายหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรพชิตทั้งหลายพากันมาอภิรม อธิบายว่าบรรพชิตทั้งหลายพากันมาที่นั้นๆยินดีอภิรมอยู่อย่างไม่เบื่อนายเพราะพระเชตวันนั้นงดงามด้วยดอกไม้ผลไม้ใบไม้อ่อนเป็นต้นและเพราะถึงพร้อมด้วยองค์ของเสนาสนะห้าประการมีไม่ไกลเกินไปไม่ใกล้เกินไปเป็นต้นอีกประการหนึ่งชื่อว่าอารามเพราะนำท่านที่ไปในที่นั้นๆ มาภายในของตนแล้วยินดีเพราะสมบัติดังกล่าวมาแล้วจริงอยู่อารามนั้นอันท่านอนาถบิณฑิกะะาคฤหบดีชื่อจากพระหัตของเจตาพระราชกุมารด้วยปูเงินสิบปดโกดให้สร้างเสนาสนะเป็นเงินสิบปดโกดเสร็จแล้วจะหงวิหารเป็นเงินสิบปดโกดมอบถวายพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ด้วยบริจาคเงินห้าสิบสี่โกรอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกกันว่าอารามของท่านอนาถปาินธิกะในอารามของอนาถปินธิกะนั้นก็ในคาเหล่านั้นคาว่าเจตาวเนระบุถึงเจ้าของคนก่อนคาว่าอนาถปิณฑิกัสะอาราเมระบุถึงเจ้าของคนหลัง มีคำทักท้วงว่าในการระบุถึงราชเจตวันและอารามเหล่านั้นมีประโยชน์อะไรขอชี้แจงดังนี้กล่าวโดยอธิกรณ์ก่อนประโยชน์ก็คือเป็นการทําการกําหนดคือตอบคำถามที่ว่าตรัสไว้ณที่ไหนอย่างหนึ่งเป็นการประกอบผู้ที่ต้องการบุญอื่นๆไว้ในการถึงคือถือเอาแบบอย่างอย่างหนึ่งจริงอยู่ในประโยชน์สองอย่างนั้น ซับสิบแปโกดที่ได้จากการขายที่ดินในการปลูกสร้างปราสาทที่มีประตูและซุ้มและต้นไม้ทั้งหลายที่มีค่าหลายโกดเป็นการบริจาคของพระเชตาราชกุมารรัพย์54สโกดเป็นการบริจาคของท่านอนาถปินจิกาคฤหบดีด้วยการระบุถึงพระเชตวันและอารามนั้นท่านพระอานนเมื่อแสดงว่าผู้ต้องการบุญยอมทาบุญทั้งหลายอย่างนี้ ก็ย่อมประกอบผู้ต้องการบุญอื่นๆไว้ในการถือเอาเป็นแบบอย่างโดยประการใดการประกอบผู้ต้องการบุญไว้ในการถือเอาแบบอย่างก็พึงทราบว่าเป็นประโยชน์ในข้อนี้โดยประการนั้นในข้อนี้ผู้ทักทวงกล่าวว่าผีว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ใกล้กรุงสาวกทีก่อน ท่านพระอานุ์ก็ไม่ควรกล่าวว่าในพระเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะแต่ถ้าประทับอยู่ในพระเชตวันนั้นก็ไม่ควรกล่าวว่าใกล้กรุงสาวัตถีด้วยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่อาจประทับอยู่ในสถานที่สองแห่งในเวลาเดียวกันได้ขอชี้แจงดังนี้ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วไม่ใช่รู้ว่าคําว่าสวัตถียังเป็นสัตตะ มีวิพัตติลงในอัถะว่าใกล้เพราะว่าเปรียบเหมือนฝูงโคเที่ยวไปอยู่ใกล้แม่น้ําคงคาและยมุนาเป็นต้นเขาก็เรียกว่าเที่ยวไปใกล้แม่น้ําคงคาเที่ยวไปใกล้แม่น้ํายมุนาฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะใกล้กรุงสาวัตถีก็พึงทราบว่า ประทับอยู่หนพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะใกล้กรุงสาวัตถีแม้ในพระสูตรนี้ก็ฉันนั้นจิงอยู่คําว่าสาวัตถีของพระเทระก็เพื่อแสดงโคจรตามคําที่เหลือก็เพื่อแสดงสถานที่อยู่ประจําอันเหมาะแกะบ่บรรพชิตในคําทั้งสองนั้นพระเทระแสดงการอนุเคราะห์เข้ารืหัดของพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยการระบุกรุงสวัสดีแสดงการอนุเคราะห์บรรพชิตด้วยการระบุพระเชตวันเป็นต้นอีกนัยยะหนึ่งแสดงการงดเว้นอตตกิลมัานุโยกเพราะถือเอาปัจจัยเป็นคำต้นแสดงอุบายงดเว้นการมาสุขคันลิกานุโยกเพราะลาวะวัตถุกรมด้วยคำหลัง อันหนึ่งแสดงความภาคเพียรในเทศนาด้วยคำต้นแสดงความน้อมไปในวิเวกด้วยคำหลังแสดงการเข้าไปด้วยการุณาด้วยคำต้นและแสดงการเข้าไปด้วยปัญญาด้วยคาหลังแสดงความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงน้อมไปในอันจะให้สาเร็จหิจตสุแกศสัตว์ทั้งหลายด้วยคาต้น แสดงความที่ทรงไม่ติดอยู่ในการบำเพ็ญหิตสุขแก่ผู้อื่นด้วยคำหลังแสดงความอยู่ภาสุขอันมีการทรงสละสุขที่ประกอบด้วยธรรมะเป็นนิมิต ด, ด้วยคำต้นแสดงการอยู่ภาสุขอันมีการประกอบหนึ่งเนืองซึ่งอุตริมนุสธรรมเป็นนิมิต ด, ด้วยคำหลังที่แสดงความที่ทรงมีอุปการะมากแก่มนุษย์ทั้งหลายด้วยคำต้น แสดงความที่ทรงมีอุปการะมากเกตเทวดาทั้งหลายด้วยคำหลังแสดงความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอุบัติในโลกเจริญเติบใหญ่ในโลกด้วยคำต้นแสดงความที่โลกฉาบทาพระองค์ไม่ได้ด้วยคำหลังมีอย่างดังกล่าวมานี้เป็นต้นคําว่าอัฏะใจในอัถะว่าไม่ขาดสาย สับว่าโขเป็นนิบาตใช้ในอัตถว่าแสดงเรื่องอื่นๆด้วยสองคานั้นพระเถราแสดงว่าเรื่องอื่นๆนี้เกิดขึ้นในพระวิหารของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ขาดสายเลยเรื่องนั้นคืออะไรคือเรื่องเทวดาองค์หนึ่งเป็นต้นสับว่าัญญตราองค์หนึ่งในคำว่าัญญตรา เทวดาองค์หนึ่งนั้นแสดงความไม่แน่นอนจริงอยู่เทวดานั้นไม่ปรากฏนามและโคดเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าอัญญตราเทวดาก็เทพนั่นแหละคำว่าอั ญ, ญตรานี้สาธารณะทั่วไปแก่หญิงและชายแต่ในที่นี้ผู้ชายเท่านั้นคือเทพพบุตุคือคําอะไรเล่าเท พ, พบุตรท่านกล่าวว่าเทวดา เป็นสาธารณะนามแกอภิ ก, กนุตศัพ์ในคำว่าอภิกันตายะรติยานี้อภิกันตศัพ์ใช้ในความทั้งหลายมีสิ้นไปดีงามยินดียิ่งเป็นต้น ในความเหล่านั้นใช่ในความว่าสิ้นไปได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าอภิกันตาพันเตรติพิกันโตปัทโามโ ม, โมจิรานิสินโนพิขุสังโคอัิสตุพันเตภควาพิขุนังปาติโมขังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีสิ้นไปแล้วปฐมยามล่วงไปแล้วภิกษุสงนงนานแล้ว ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงแสดงปาฏิโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระเจ้าข้าใช้ในความว่าดีได้นในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าไตยังอีเมสังจะตุนนางปุขลานังอภิกันตโตจะปณิตโรจะนี้ดีกว่าประนีตกว่าบุคคลสี่จำพวกนี้ใช้ในคำว่างาม ได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าโกเมวันทติปาธานิอิทิยาญาสาฉลังอภิกันเตนะวันเนนะสัพพาโอภาษยังที่สาใครหนอรุ่งเรืองด้วยฤทธ์ด้วยยศมีวันณะงามส่งรัศมีสว่างทั่วทิศมาไหว้เท้าเราใช้ในความว่ายินดียิ่งได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าอภิกันตัง โอโคตมะไพเราะจริงท่านพระโคดมแต่ในพระสูตรนี้ใช้ในความว่าสิ้นไปท่านอธิบายว่าบทว่าอภิกันตายระรติยาแปลว่าเมื่อราตรีสิ้นไปแล้วในคําว่าอภิกันตวันนานี้อภิกันตศัพท์ในความว่างงามวันศัพท์ ใช้ในความว่าผิวสรรเสริญพวกตระกูลเหตุสวดส่งขนาดรู ป, ปายตนะเป็นต้นใช้ในคําว่าผิวได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าสุวรรณะวันโนภควาพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระชวีดังทองใช้ในความว่าสรนเสริญได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าดูก่อนก็เหาพดี คำสรรเสริญพระสมณะโคดมเหล่านั้นท่านรวบรวมไว้เมื่อไรใช้ในความว่าพวกตระกูลได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าท่านพระโคดมวันณะซีเหล่านั้นใช้ในความว่าเหตุได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าเกณะนวันเ น, นะขณะเทนิโตวุจติเพราะเหตุอะไรเล่าหนอจึงมาว่าเราเป็นผู้ขโมยกลิ่น ใช้ในความว่าสวดสรงได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่ามหันตังหัตถิราชวันนางอภินิมมิตวาเนรมิตรสวดส่งเป็นพระยาช้างใช้ในความว่าขนาดได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าตโยปัตตสะวันนาขนาดของบาทสามขนาด ใช้ในความว่ารูปายตนะได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าวันโนคันโทรโสโอชารูกลิ่นรสโอชาวันนะศัพน์นั้นในสูตรนี้พึงเห็นว่าใช้ในความว่าผิวด้วยเหตุ น, นั้นท่านจึงอธิบายว่าบทว่าอภิกันตวันนาแปลว่ามีวันนะน่ารัก แก้อัฏฐบทเกวรากักปังเกวรศัพท์ในบทว่าเกวราัา ก, ากปังนี้มีความหมายเป็นอเนกเช่นไม่มีส่วนเหลือโดยมากไม่ปนคือล้วนๆไม่มากเกินมั่นคงไม่เกาะเกี่ยวจึงอย่างนั้นเกวรศักท์นั้นมีความว่าไม่มีส่วนเหลือ ได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าเกวละปริปุญ น, นังปริสุดทางพระมจริยังรมอาจบริสุทธ์บริบูรณ์ไม่มีส่วนเหลือมีความว่าโดยมากได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าเกวละกับป่าจากอังคมาคธาพระหูตังคาธนียังโภชนียังอาธยะอุปสังกมิสันติชาวอังคและชาวมคตส่วนมาก คือของเคี้ยวของกินเข้าไปเฝ้ามีความว่าไม่ปนคือล้วนๆได้นในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าเกวะลัตสะทุกกะคันทัสสะสมุทโยโหติความเกิดแห่งทุกข์กันล้วนมีอยู่มีความว่าไม่มากเกินได้นในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าเกวะลังสุทธาท่านผู้นี้มีเพียงศรัทธาอย่างเดียวแน่แท้ มีความว่าไม่เกาะเกี่ยวได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าผู้ไม่เกาะเกี่ยวอยู่จบพรหมจรรย์แล้วท่านเรียกว่าบุรุษสูงสุดแต่ในสูตรนี้เกวราสั์นั้นท่านประสงค์เอาความว่าไม่มีส่วนเหลือส่วนกัปปะสั์มีความหมายมากเป็นต้นว่าความเชื่อมั่นโวหารการบัญญัติตัดแต่งวิกัปเลิศและโดยรอบ แต่ในสูตรนี้กับประสาบนั้นท่านประสงค์เอาความว่าโดยรอบโดยประการที่ให้คำว่าเกวลากับปังเจตวะกนังนี้ควรจะทราบความอย่างนี้ว่าสองรัศมีตลอดพระเชตวันโดยรอบไม่เหลือเลยบทว่าโอภาเสตวาได้แก่แผ่ด้วยรัศมีอธิบายว่าทํารัศมีเป็นอันเดียวกันรุ่งโรยอย่างเดียวกัน เหมือนพระจันทร์และเหมือนพระอาทิตย์คําว่าเ ย, ยนาภควาเตนุปสังกมิเป็นตติยาวติลองในอัฏฐะแห่งสัตตะมีวิพัตติโดยประการที่พึงเห็นความในคํานี้อย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณที่ใดเทพบุตรก็เข้าไปเฝ้าณที่นั้นหรือพึงเห็นความในคํานี้อย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า อันเทวดาและมนุษย์พึงเข้าไปเฝ้าโดยเหตุใดเทพบุตรก็เข้าไปเฝ้าโดยเหตุนั้นนั่นแหละก็พระผู้มีพระภาคเจ้าอันเทวดาและมนุษย์พากันเข้าไปเฝ้าด้วยเหตุอะไรด้วยประสงค์จะบรรลุคุณวิเศษมีประการต่างๆเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ออกผลอยู่เป็นนิดอันฝูงนกฝูงกาพากันเข้าไปก็ด้วยประสงค์จะบริโภคผลไม้ซึ่งมีรสอร่อยเชนั้น ท่านอธิบายว่าบทว่าอุปสังกมิแปลว่าไปแล้วคำว่าอุปสังกมิตวาเป็นคำกล่าวถึงสุดท้ายแห่งการเข้าไปเฝ้าอีกอย่างหนึ่งท่านอธิบายว่าเทวดาไปอย่างนั้นแล้วต่อ น, นั้นก็ไปยังสถานที่ต่อจากอาสนะกล่าวคือที่ใกล้พระภูมิพระภาคเจ้าบทว่า พักวันตังอภิวาเทตวาได้แก่ถวายบังคมน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าสับว่าเอกมันตังเป็นสับนิเทศทำเป็นภาวนาปุงสกลิงท่านอธิบายว่าโอกาสหนึ่งส่วนข้างหนึ่งอีกในยะหนึ่งคำนี้เป็นทุติยวิพัตติลงในอัฏฐะสัตตวิพัตติ สับว่าอัฏฐาสิปฏิเสธอิริยาบทนั่งเป็นต้นอธิบายว่าสำเร็จการยืนคือได้ยืนแล้วถามว่าก็เทวดานั้นยืนอย่างไรจึงชื่อว่าได้เป็นผู้ยืนอยู่ส่วนข้างหนึ่งตอบว่าท่านโบราณอาจารย์กล่าวว่าไม่ยืนข้างหลังไม่ยืนข้างหน้าไม่ยืนใกล้และไกลไม่ยืนที่ชื้นแฉะไม่ยืนเหนือลม ไม่ยืนที่ต่ำและที่สูงยืนเว้นโทษเหล่านี้ชื่อว่ายืนณส่วนข้างหนึ่งดังนี้ถามว่าเพราะเหตุไรเทวดาองค์นี้จึงยืนอย่างเดียวไม่นั่งตอบว่าเพราะเทวดาประสงค์จะกลับเร็วจึงอยู่เทวดาทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์บางอย่างจึงมาสู่มนุษยโลกเหมือนบุรุษผู้สะอาดมาเข้าสวม ก็โดยปกติมนุษยโลกย่อมเป็นของปฏิกูลเพราะเป็นของเหม็นสําหรับเทวดาเหล่านั้นนับแต่ร้อยโยตเทวดาทั้งหลายไม่อภิรม์ในมนุษยโลกนั้นเลยด้วยเหตุนั้นเทวดาองค์นั้นจึงไม่นั่งเพราะประสงค์จะทํากิจที่มาแล้วรีบกลับไปก็มนุษย์ทั้งหลายย่อมนั่งก็เพื่อบรรเทาความลําบากแห่งอิริยาบถมีเดินเป็นต้นอันใด ความลำบากอันนั้นสําหรับเทวดาไม่มีเพราะฉะนั้นเทวดาจึงไม่นั่งอันหนึ่งพระมหาสาวกเหล่าใดยืนแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงนับถือตอบพระมหาสาวกเหล่านั้นคือประทับยืนแม้เพราะเหตุนั้นเทวดาจึงไม่นั่ง อหนึ่งเทวดาไม่นั่งก็เพราะเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงอยู่ที่นั่งย่อมบังเกิดแกเทวดาทั้งหลายผู้ประสงค์จะนั่งเทวดาองค์นี้ไม่ปรารถนาที่นั่งนั้นไม่คิดแม้แต่จะนั่งจึงได้ยืนณส่วนข้างหนึ่งบทว่าเอกมันตังทิตาโขสาเทวตาความว่าเทวดาองค์นั้น ยืนณส่วนข้างหนึ่งด้วยเหตุเหล่านั้นอย่างนี้แล้วบทว่าพักวันตังคทายะอ ช, ชาภาษิความว่าได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำร้อยกรองอันกำหนดด้วยอักขราบทว่าอย่างไรว่าอย่างนี้ว่าพระหูเทวามนุษย์จะจนถึงพระรูหิมังคละมุตตะมัง